เรื่องภิกษุณียืมเสนาสนะสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายมีเสนาสนะจำนวนมาก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 เราอนุญาตให้ภิกษุณีทั้งหลายนำเสนาสะนะไปใช้ได้ชั่วคราว